กันต้องใจฟังแลก็ตั้งใจภาวนาและตั้งใจหาจิตหาใจของตัวเองแต่ละคนละคนเพะจิตใจมันเป็นของหายากแต่เป็นของที่มีอยู่ แต่มันก็หาตัวตนม่ได้ไม่รู้ว่าตัวมันเป็นตัวยังไงตัวโตวขนาดไหนเล็กขนาดไหนผิวดำสีขาวสีแดงก็หาในรู้ไม่มันมีเฉพาะเฉพาะแต่ตัวรู้เฉยๆเนะ่ะมีเฉพาะความรู้เฉยๆ แต่มันมีอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอกของที่อยู่ข้างในแต่เวลาใช้งานไม่ใช่ข้างนอกแต่ตัวจริงแท้เขาก็อยู่ข้างในในไหนในสกุลร่างกายของเรานี่แหละเวลาทำงาน เอาอะไรทำก็เอาร่างกายเรานี่แหละทําแต่เขาเป็นผู้บอกเขาเป็นผู้เนี้ยเขาเป็นผู้รู้จักในเรื่องผิดและถูกเขานั่นรู้เขามีหน้าที่รู้มีหน้าที่ที่จะใช้ ใช้งานของเราอย่างเดียวแต่งานของเขาเนี่ยคือเขาใช้เราไม่ใช่เราใช้เขาเห็นขาใช้เราอยู่ทุกเวลารู้วยครับเวลาทํางานทําการเขานั่นแหละเป็นผู้ใช้ ถ้าไม่มีเขาเราก็ทางานไม่ได้เพราะฉะนั้นของทั้งสองอย่างก็จึงได้อาศัยซึ่งกันและกันกายก็อาศัยจิตจิตก็อาศัยกายเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้า จึงสอนให้หาหาผู้ที่อยู่ข้างในน่ะผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเราเน่ผู้ที่เขาใช้เราน่ผู้ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นแหละพระองค์ให้หาอันนั้นนะหาให้เพื่ออะไรเพื่อระงับ เพื่อให้ความเพื่อระงรับหาความสงบเพื่อให้มันเกิดความสงบขึ้นระงรับความวุ่นวายสิ่งที่มันวุ่นวายอยู่นั้นนะ่ะมันออกมาจากข้างในก่อนถ้าข้างในไม่วุ่นวายนะข้างนอกมันก็ไม่วุ่นวาย นันออกจากเขาหมดนั่นแหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนะี่ยที่สอนธรรมะนะที่ว่าสอนให้รู้ธรรมะสอนให้รู้ตัวเองสอนให้เอาชนะตัวเองสอนให้ช่วยตัวเองสอนให้ดูตัวเองท่านเนี่ย สอนเข้าไปดูข้างในนั่นนะเพื่อให้มันสงบเรื่องนับมีความมันในในม่นคงอยู่ภายในมั่นคงในความสงบนั่นนะความสงบนั้นแหละชื่ว่าคุณของพระพุทธเจา้าหรือว่าคุณของเผยธรรมคุณของเผยสง ในพระพุทธเจ้านะ่ที่ท่านให้ที่ท่านให้ผลที่ท่านคุ้มครองต้องปักรักษานะ่ท่านคุ้มครองอยู่ข้างในรักษาอยู่ข้างในนะ่ะตัวจริงของท่านก็ได้แก่ใจของเราสงบขึ้นนะ ได้เกี่ยวความสงบของใจนั่นแนละตัวพุทธตัวพุทธเจ้าที่เข้ามาประทับสิ่งหัวใจของเราดังนั้นล่ะเมื่อเรามาฟังแล้วก็มีการปฏิบัติคือภาวนาไปด้วยคำว่าภาวนาเนี่ย หมายถึงว่าความเจริญหรือว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นกาทำให้มันเกิดมันมีขึ้นทำความจเจริญให้เกิดให้มีขึ้นจเจริญในความสงบวันทำยังไงใจของเราจะมีความสงบมันก่อนที่จะมีความสงบได้ เราก็มากำหนดกำหนดหอยใจของเราเนะี่ยคือกำหนดตัวรู้นั่นแนละแล้วก็ให้มีความสัมผัสกับส่วนร่างกายของเราเนะี่ยที่ว่ากายาคตาสติหรือว่านาปนาสติก็ลมนั่นหนละ ลมนัก็เป็นกายในส่วนหนึ่งเรียกว่าธาตุลมเราเขามากําหนดอนาปนสติคือเรามากําหนดลมมต่เรามากําหนดลมเหมือนเรามากําหนดกายเรียกว่ากายยาคตาสติเราก็มากําหนดลมหายใจเข้าได้ใจออก หายใจเข้าไปนำเอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปด้วยเวลาหายใจออกนำเมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตามมาด้วยแล้วก็ตามเข้าตามออกคือพุทธเข้าไปแล้วก็โตออกมา เราก็กำหนดอยู่เฉพาะเฉพาะอย่างเดียวนะหน่อย่มันเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหัวใจของเราเนะี่ยใจของเรามันเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับลมกับพุทธโธนะั่นคือให้เอาอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปอยากรู้มากนะ ไอ้ที่มันรู้มากเลยเนาะมันพาให้เราวุ่นวายอยนะ่ให้รู้จำกัดดูสิว่ามันจะเป็นยังไง ร, รู้เฉพาะพุทธโธเทนะ่ใจก็พุทธโธแล้วก็พุทธโธกับใจเนะี่ยให้ได้เข้ากันให้ได้สัมพันธ์เข้าสัมพันธ์กันดีๆสัมพันธ์กันให้ดี อย่าให้มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกหรื อ, อเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นอดีตมาคือผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปที่ในอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคำนึงมันเหมือ น, นกับงานที่เราทำมาแล้วนะั่นแหละคือมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปก่อน หยุดไว้เพียงแค่นั้นส่วนที่เราจะทําในข้างหน้าเราก็ชะงักไว้ก่อนเรียกว่าเราพักงานเราพักงานเราก็อยู่ตรงกลางท่อดีตเราก็ไม่ต้องไปอานาคตเราก็ไม่ต้องคำนึงเราคํานึงในปัจจุบัน ตัจจุบันก็คือลมเข้าลมออกคือพุธเข้าไปโทรออกมานี่เรียกว่าัจจุบันเราเอาเฉพาะแค่นี้แหละว่ามันจะมีอะไรและมันจะนำประโยชน์อะไรให้เราบ้างและประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในการกระทําอย่างนี้นะ่ะ ก็ให้เรากำหนดลองดูสิเนี่ยมันกำหนดอะไรเรากำหนดลมนั่นแ่ะกับหัวใจเราเท่านั้นดึงใจของเรานั่นเข้าไปหาลมดึงลมเข้าไปหาหัวใจแล้วก็ไปสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าคือพุทโธและทโมน เมื่อได้พระพุทธแล้วก็พระธรรมแล้วก็ได้พระธรรมครั้งแรกเรามายึดมากําหนดพุทธโธเรามาบริกรรมพุทธโธเวลามันสงบไปความสงบนั่นนั่นเราเรียกว่าพระธรรมยั่งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าพระธรรม นี่ในอะไรมันจะเกิดขึ้นในความสงบนั้นนั่นเหละก็เรียกว่าพระธรรมพระธรรมมันเกิดขึ้นพ็เมื่อความสงบจางมันแล้วก็จางมันแล้วก็มันมจะมีแต่ความสุขความสุขมันเกิดขึ้นนั่นแหละคุณของพระธรรม ทั้งคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันใดก็พระธรรมอันนั้นพ้าธรรมอันใดก็พระสงฆ์อันนั้นต่างแต่ชื่อแต่เนื้อหาน่ะอันเดียวกันคุณาภาพน่ะอันเดียวกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในความสงบนั้นน่ะ อนุภาพหรือว่าคุณภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ก็เกิดขึ้นภายในนะมันจะเกิดขึ้นโดยวิธีไหนนะและมันจะเกิดขึ้นลักษณะอะไรอย่างไรเนะี่ยก็ให้มันมีความสงบลองดูซะก่อนที่นะ ถ้ามันไม่มีความสงบก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดฌานมันก็เกิดไม่ได้สิถ้ามันไม่สงบยานมันก็เกิดไม่ได้มันก็เลยไม่เห็นอะไรก็ยานนั่นอ่ะจะพาพาให้เราเห็นน่พาให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยฌานมันก็ตั้งมัน่น เพ่งอยู่ด้วยความเป็นสมาธินะยานก็คือความรู้นะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นนาฏีตั้งสยานก็ตามพนาก็ตงสยานก็ตามกระจุปนังสยานก็ตามก็ให้มันสงบซะก่อนนะ่ะมันไม่มีความสงบ ก็ธรรมะเหล่านี้ก็ไม่รู้จะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแม้แต่อคินญาเดยวมโนมยิทธิยิทีลิทีจคะคขูทิปโสตทิปภุเพนิวาสนานุสติญาณอะไรเหล่านี้นะ่ะที่นิ้รรมันไม่สงบละ่ะ เล่านั้นนะ่มันจะไปเกิดตรงไหนถ้าใจของเราไม่สงบก็เมื่อใจของเรามันสงบเลยนะฌานมันก็เกิดขึ้นญาณมันก็เกิดขึ้นแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นจักขูทิพย์มันก็เกิดขึ้นโสตทิพย์มันก็เกิดขึ้น โมโนวิธิตรความลิตรลิตรในทางจิตมันก็เกิดขึ้นลิทธาสานุภาพลิตรในทางใจนะพวกดำดินดิน บ, น, บ, น, บนห อ, หอกหนโดยอากาศตามตําราทันวาดมันก็เรื่องมาจากใจสก่ปรตเองใจให้สําเร็จสกปรตเองใจให้สงบสกปรตเอง มันก็จึงจะมีลทธิ์ภกเพนิวาสานสติญาณญาณที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องอดีตเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านรูน้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะรู้ได้ท่านก็ต้องทำความสงบต่างมั่นเป็นสมาธิเสียก่อน ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆล้วของพรทธิเจ้าจะรู้ขึ้นมาเองมันไม่ใช่ท่านก็นั่งภาวนาเนะน่ะก็กำหนดลมนี่แหละอนาประสติเนะี่ยจิตพรองค์ก็มีความสงบตัางมันเป็นสมาธิเนะี่ยแล้วก็เกิดปัญญายานขึ้นมานะีย่ยเรียกว่ายานทั้งสามเนะี่ย พวกเทนิวาสานุสติยานจิตูปเทยานอาศัวขยยานยานทั้งสามนี่ละเกิดขึ้นยังให้พระพุทธเจ้าได้สําเร็จนหรือว่าให้ความสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วก็จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะยานทั้งสามเยานทั้งสามจะเกิดขึ้นก็เพราะอะไร่ะ เพระมานั่งภาวนาเนี่ยการนั่งภาวนาเนี่ยมันดูอะไรหาอะไรการนั่งภาวนาก็หาใจนี่ยจะดูใจตัวเองเท่านั้นจะ ต, ต้องข้อสังเกตสิละ่ะเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรมันปรุงอะไรมันแต่งอะไรมันเอาเรื่องอะไร มาคิดมาโนกมันเป็นเรื่องอดีตหรือมันเป็นเรื่องอนาคตหรือว่ามันเรื่องอะไรมันเรื่องเขาหรือเรื่องเรารเรื่องของเราหรือเรื่องของเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้เลอนั่นน่ะนมาองสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้านะั่คือพุทธโธนะ่ ก็เข้าไปประทับไปสิเข้าไประงับสิจะระ ง, งับความวุ่นวายของจิตเนี่ยนะจิตแต่มันชิดเน่ยนะมันปรุงมันแต่งปัญญาเราก็ให้รู้เท่าเอาทันบมดสิแต่ปัญญานก็แปลว่าความรู้รอบ แล้วก็เข้าใจกันอยู่ปัญญาแปลว่าความรู้รอบรู้รอบอะไรนะรู้รอบในกองสังขัรเนนะี่ยแต่สังขันก็มันมีทั้งสองสังขัร น, นอกสังขัรในสังขัร น, นอกก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะคือตัวตนนี้แหละเนื้อหนังกระดูกเส้นเอ็นเนี่ยนะ นี่สังขาร น, นอกหรือนอกจากตัวของเราไปอีกก็เป็นสังขาร น, นอกสังขารในแหละคือคือความปรุงแต่งแหละก็มันแต่งกิจอยู่นั่นนะเอาเรื่องนั่นมาคิดเอาเรื่องนี่มาปรุงเอาเรื่องนี่มาแต่ง แ ล, แ, แล้วก็แต่งเรื่องนั่นแล้วก็แต่งเรื่องนี้แต่งเรื่องของเขาแต่งเรื่องของเราไม่รู้ว่ามันแต่งเพื่อทำไมบางอย่างก็นำความทุกข์มาให้แต่งไปแต่งมากทุกข์ขก็เกิดเนี่ยมันก็เอาทุกข์มาให้ตัวเองบางอย่างก็มีความสุขก็ขสุขไปชั่วขณะหนึ่ง บางอย่างก็เฉยๆแต่มันก็แต่งนี่ให้มันรู้รอบสลรู้รอบในกองสังขารสังขารนอกสังขารในแต่ให้รู้ในสังขารในน่นะในขณะเมื่อเวลาเราทำเนี่ยเราเอาสังขารในให้ตั้งข้อสังเกตเอาไวนะ้ ดูดความปรุงแต่งของจิตนะเรียกว่าสังขารนี่สังขารในขันห้าลกูกเวทนาสัญญาสังขารนะก็วิญญาณก็เป็นผู้รู้นะก็ให้รู้เท่ า, าเอาทันนะในกองสังขารนะอะไรเป็นผู้รู้ ก, ก็วิญญาณนะั่นะ แต่ในตัวเขานั่นแ่ะวิญญาณก็อยู่กับเขานั่นแ่ะก็ปัญญาก็อยู่กับวิญญาณนั่นแหะไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนน่อยฉัญยากับอยู่ด้วยกันนั่นนหละเขาไม่ได้หนีจากกันหรอกมันก็อันเดียวกันนั่นแหละพอเรารู้อันเดียวพอเราเห็นอันเดียวพอเราระงับอย่างเดียวอย่างอื่นก็คอยระงับไปด้วย มันก็ระหนาเป้หมดลนะแล้วเพราะทำทั้งหลายก็มารวมอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามาได้ตรงนี้เหรอมันก็ได้หมดก็ได้หมดก็ได้เท่าไร่ที่ว่าได้หมดกับธรรมะมีเท่าไหรล่ลหรก็แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยก็มาได้อยู่ที่ใจอันเดียวนะ่ะ พอใจเรามีความสําเร็จในความสงบหรือความสงบมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังความสําเร็จให้เกิดขึ้นเหมือนพระอริยเจ้ากระไดอันเดียวนั่นแหะท่านก็สําเร็จอันเดียวนั่นะความสําเร็จนั่นก็เลยไปอยู่อันที่เดียวนั่นะ ก็อยู่ที่ใจเนี่ยแค่เราได้ความสงบละแล้ความรู้รอดละความรอบครอบในกองสองขานละก็เหมือนกับว่าเราได้หมดละก็ได้ในนั้นลหละที่ว่าได้ธรรมะที่รู้ก็รู้ในนั้นแหละที่เห็นก็เห็นในนั้นแหละ ที่แก้งก็แก้งในนั้นนะ่ะที่เมื่อต้องมืม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะที่เศร้ามองก็เศร้ามองในตรงนั้นนะ่ะนั่นเาให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทุกคนะนะ่ะสังเกตดูใจเราเท่า น, นะนะั้นอย่าไปมองทางอย่าไปมองทางอื่นดูหัวใจตัวเองนะ่ะ เรื่องของคนอื่นเนี่ยจะหำมันเป็นเรื่องของเขาเวลาเรานั่งเราเอาความสงบของเราเนื่อเราดูตัวของเราเนี่ยเราจะแพ้หรือจะชนะมันก็อยู่กับตัวเราเนี่ยนะจะไปโทษใครก็ไม่ได้ จะไปว่าใครก็ไม่ได้จะไปมอบกับใครก็ไม่ได้นั่นเป็นตัวของตัวเองเนะี่ยแพ้ก็แพ้อารมณ์ตัวเองเนะั่นแหะแพ้ชนะก็ชนะอารมณ์ของตัวเองเนะั่นแหละแพ้ก็แพ้ความคิดของตัวเองนั่นแหละชนะก็ชนะความคิดของตัวเองเนะั่นแหลมันไม่ได้ไปแพ้ไก่ชนะไกลนะ มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพนะระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูตัวเองและให้ช่วยตัวเองแล้วก็ให้หาตัวเองแล้วก็ให้ดูตัวเองดูความผิดความถูกของตัวเองที่ จ, จะเมาต่อความผิดให้คนอื่น แล้วใครจะมารับความผิดจากเราละ่ะสมมติว่าเขายกความผิดมาให้เราเราจะยอมรับความผิดจากเขาไมหมละ่ะเราก็ไม่ยอมรับเราก็มวจะยกความผิดให้คนอื่นนั่นหละคือไปชี้ต่คนนั้นผิดคนนี้ถูกอยางนั้นอย่างนี้ คนนั้นเป็นธรรมคนนี้ไม่เป็นธรรมมันก็ความปรุงความแต่งมันมีอยู่อย่างนั้นละ่ะความไม่เป็นธรรมน่ะมันอยู่กับคนอื่นหมดความเป็นธรรมน่ะมันอยู่กับตัวเองหมดเนี่ยนีม่มันก็เห็นแก่ตัวอเองแท้จริงมันก็เท่ากันนี่นละมันไม่ใช่ว่าใครเกอนใครนะ จะมีใครดีกว่าใครก็หาใ่ใหม่มันเท่ากันแต่มันมีกิเลสเท่ากันเนี่ยถึงข้าวดีมันก็ดีไปชั่วขณนะถึงเวลาไม่ดีเหรออะไรมันมากเราก็เที่ยบกันบ้าง พราะฉะนั้นความดีกับไม่ดีเนี่ยมันมีประจำกันทุกคนน่ะต่น้อยหรือมากหรือจะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่จังหวะจังหวะน้อยก็มีจังหวะมากก็มีมันก็มีทุกคนที่ในเราก็จะไประงับระงับตรงไหนล่ะก็ระงับตรงนั้นล่ะ แต่ตรงที่มันเกิดนั่นแหะแต่เราจะชนะก็ชนะตรงนั้น่เราจะทํายังไงจะชนะมันได้ก็เอาความสงบนั่นแหะแความสงบจะเรื่องมาจากไหนล่ะกาเนื่องมาจากการภาวนาการภาวนาจะทํายังไงลรา ออกมากำหนดใจของเราเท่านั้นหละ่ะแล้วก็มาบริกรมกรมมาพุโทธโธพุทโธพุทโธในใจนก็มีแค่นั้นนะนั่นเราชื่อว่าภาวนานชื่อว่าปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราทําอยู่เดี๋ยวนี้แหละนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละแค่นี้แหละแค่ปฏิบัติธรรมแต่ธรรมะมันมากคําสอนมาก แต่เวลามาทําก็ทําแค่นี้แหละสมมติมอย่างเราไปนั่งอยู่บ้านเ่รอแล้วก็นั่งอย่างนี้แหละก็นั่งรับตาก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่เรานั่งได้แต่เมื่อเวลามันสงบแล้วมันได้มากนี่อะไรมันก็ได้หมดทามันได้ถ้ามันไม่ได้นี่นะมันยากเลย แต่มันไม่ได้ก็คือมันไม่สงบนะนะี่ยกวาความไม่สงบนั้นล่ะมันจึงทำความวุ่นวายให้เราอยู่เราที่มีความวุ่นวายอยู่ก็เพราะความไม่สงบเนะี่ยยกลงก็เลยความแพ้มันก็อยู่กับตัวเองนั่นะนี่เรียกว่าแพอารมณ์แพความคิดของตัวเอง ที่นี่พวกญานมันจะเกิดที่ไหนฌานมันจะไปเกิดยังไงยานมันจะไปเกิดยังไงไอ้คินยามันจะไปเกิดยังไงอ้ิยามัดมันจะเกิดยังไงอ้ดิยาผลมันจะเกิดยังไงความหลุดความพ้นมันจะเกิดยังไงล่ะแม้แต่ความสงบก็ยังหาไม่หาไม่ได้และก็ยัง หาความสงบไม่มีในตัวเองที่นี่มันจะไปชนะมันได้ยังไงก็มีแต่แพ้กบแพ้นี่แหละเวลาหาเวลาหาจะหาใจตัวเองนั่นคืออย่าไปหาไกล่นั่งอยู่นี่แหละนั่งหามันอยู่นี่แหละ ยืนหาก็าได้เดินหาก็าได้นอนหาก็าได้แต่ให้มันเห็นนะจะไปนอนหลับเนอะยุ ก, ก่อนจะหลับก็ให้มันเห็นซะก่อนเข้ามาหาก็จะไปเอาแต่ความหลับเวลานอนก็มันก็หลับไปซะแล้วน่มมันก็แล้วไปละ มันก็มีความสบายในความหลับฉะนั้นนะแล้วมันก็ฝันไปตามหนาทีของมันถ้าฝันดีมันก็สบายขึ้นมาสบายใจถ้าฝันไม่ดีนอกจากเสียเงินเนี่ยมันก็เรื่องของตัวเองอ่ะฝันไม่ดีก็หาว่าฝันร้ายว่าตัวเองมีเค้อ เคาะเข็นเวรร้ายเขาจะต้องไปทำบุญเสียเคาะเสดลางไปความฝันเนี่ยจะว่ามันดีก็ไม่ใช่จะว่ามันร้ายก็ไม่ใช่แต่มันก็ให้ประโยชน์ให้ได้ทำบุญนึงนิมิตกรงความฝันน่ะ เราจะเข้าใจว่าดีจะอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะแม้แต่เรานอนหลับมันก็ยังทําให้เรากลัวได้นะบางคนก็ฝันว่าผีไล่ฝันว่าเขาไล่ฆ่าฝันว่าเขาไล่ยิงฝันว่ากระโดดสูงฝันว่าลงหลุม ต่ออะไรแล้วแต่แหละตกใจเลยเวลาตื่นขึ้นมานแม้แต่ความฝันของตัวเองมันก็ยังให้ทุกข์อนู่ น, นะมันก็ยังทําให้กลัวนะมันไม่ใช่ง่ายนะเรื่องจิตนี่นะนี่เรียกว่าในมิตในทางในทางฝันถ้าในมิตในทางภาวนาอะมันอาจจะมีความกลัวแต่เบื้องต้นเท่านั้นะ เสียก็เสียเบื้องต้นคือ ย, ยังไม่รู้จักเอาเท่านั้นคือจะไปกลัวมันเท่านั้นคนก็กลัวจะเป็นบ้าเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกมีมิาวานาก็กลัวจะเป็นบ้าเท่านั้นถ้าเรามารู้เท่าเอาทันใช้เบื้องต้นถ้ามันไม่มีคิดมีไผอะไรมันมีแต่วความสุขและความสบายถึงแม้มันจะเห็นลายก็ตามเห็นดีก็ตามอะไรก็ตาม แต่ใจน่ะมันเป็นสุขมันจะมาแบบร้ายยังไงก็ตามมันจะเยียบแขวเยียบคางมาอะไรก็ตามตามันจะเท่ากับทุงกับทนให่ก็ตามมันจะมาแบบไห้ก็ตามแต่ใจน่น่ะมันมีความสุขแล้วแต่มันไม่ได้กลัวมันไม่ได้วันไหวกับสิ่งที่มันแสดงมาอย่างนั้น ซึ่งมันเป็นอกหันในมิตนระที่ว่าในมิตติด ต, ตามมันเป็นนิมิตในทางร้ายมานะ่ยแต่ใจนะมันเป็นตั้งมั่นแล้วมันไม่ได้วันไหวใช่ไหมแต่เขาก็ทําลายอะไรไม่ได้แต่เขาทําอะไรไม่ได้ เขาก็มีแต่ยกมืออนุโมทนาสาธุการเพราะจิตเราเป็นธรรมแล้วใน ม, มีมือมันมีความสงบมันเลยทําอะไรไม่ได้นิมิตถววนาะนถึงแม้มันจะร้ายแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายและมันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลองนิมิตคําฝันดูสิล่ะ แต่ลองฝันโดยสิ่ฝันไม่ดีสินี่ต้องทําสังฆทานนะก็ต้องเสียผ้าไกล่ล่ะก็ต้องก็ถวายพระจนได้นะเนี่ยก็ถือว่าตัวเองฝันไม่ดีฝันเห็นเพื่อนเห็นหมู่เห็นพวกทีล้มตายไปก่อนนะเนเี่ยเห็นลูกยาชีน้องที่ผูเขาตายไปก่อนลือ เขามาแสดงให้เห็นอย่างนั้นอย่างนีน้จะเป็นนิมิตรความฝันพอตื่นขึ้นมาเท่า น, นั้นก็เนิบละ่ะจําเป็นเราจะต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขามาทําร้ายละ่ะตก็ยิ่งตกอกตกใจเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนี่แหละในมิตรตั้งฝัน ถึงว่าเป็นของธรรมชาติก็ตามแต่มันก็ให้โทษแต่บางคนก็อาจจะใจขาดไปในนั้นแหละที่เราคิดว่านอนตายเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาดูนะที่ว่านอนตายมันตายไปเลยไม่มีใครรู้จักแต่หมอก็ก็ว่าหัวใจวาย สิ่งที่จะทำให้หัวใจวายน่นะมันคืออะไรเขาก็ไม่ได้ว่านะเขาก็ว่าไปตามหน้าที่มันก็ูกของเขาเขาบ่าหัวใจวายน่มันก็อาจจะเป็นได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรนี่นี่นมิตรในทางฝันเนี่ยมันก็มีส่วนอยูน่นะแต่กเราก็พิจารณาเอาให้ข้อคิดเฉยๆหรอกว่ามันจะเป็นเท็จจริงแค่ไหนก็พิจารณาเอา นี่ี่นิมิตใ น, น, นทา ง, งทางฝันถ้านิมิตใ น, นทางภาวนาลนะ่ะถ้าจะมีโทษก็จะเข้าเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้าเราเข้าใจล่ะถ้าเราไม่กลัวล่ะคือไม่กลัวตายอย่างเดียวเท่านั้นตนะัดสินว่าตายในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เท่านั้นนะพอะจิตมันลงก็นันนะ่ะ โอ oh, ลงเท่านั้นแหะเหมือนกับเราจะหลับพอจิตมันดิ่งลงเท่านั้นแ่ะทีนี้มันหายละมันไม่กลัวละยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักลเป็นที่พึ่งเราพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ตรงนั้นเราไม่กลัวละถ้าไม่กลัวละมันก็ไม่มีอะไร มันก็ไม่ได้ไปทำลายอะไรมันมีแต่ความสุขมันก็มีแต่ความสบายมันก็มีแต่ความสงบเนี่ยเบาตนเบาตัวเบากายเบาใจโล่งอกโล่งใจสมองอะไรมันก็โล่งไปหมดเน่มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรริพอครั้งที่สองล่ะครั้งที่สองมันก็ไม่กลัวสิเพราะมันเคยไปแล้วมันรู้แล้วครั้งที่สามเนียครั้งที่สามมันก็ยิงไม่กลัวล่ะ ก็มันรู้แหละมันชํนานาญอ่ะมันรู้จักขอามันไม่มีพิษมีภัยนะที่ไหนมันมีแต่ดีกับดีที่นี่ยิ่งลงไปเท่าไรยิ่งสงบไปเท่าไรก็ยิ่งดีไปเท่านั้นดีไปหน้านะอันนี่ไอ้ความสงบที่มันจะเป็นนิมิตมาในทางทางภาวนามันมีเตรดีไปหน้าไอ้คำฝันนี่ไม่รับรองเนาะคืนนี้แหละฝันดีลหละ แต่พรุ่งนี้ล่ะขึ้นต่อไปอีกเหลอมันก็ไม่แน่แต่ว่าดีอย่างว่าเราก็ยังมีส่วนที่ว่าไหว้พระสวดมนต์นะถ้าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีนั่งภาวนาบ้างผสมบ้างเอออันนี้ก็รู้สึกว่ามีมิตรดีล่ะฝันดีถ้าไม่ฝันมันก็ไม่ฝันเลยถ้าฝันมันก็ฝันดีฝันเป็นมงคล แต่เราไม่นั่งเราก็ไหว้พระที่เฉยก็ได้แต่เรานั่งภาวนาด้วยไหว้พระด้วยอันนี้มีคุณค่ามากเรียกว่าไม่ฝันร้ายฝันเป็นมงคลทำให้เราสบายใจนี่ในเรื่องของคำฝันเรื่องนิมิตอย่าคิดว่าจะมีแต่คุณอย่างเดียวนะ มันก็มีทั้งโทษมันก็มีทั้งคุณนะแต่ว่าจะห้ามมันไม่ได้ท่านนะใครจะไปห้ามความนอนได้ล่ะเพราะเรานอนธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันต้องนอนสิถ้านอนแล้วมันต้องหลับถ้าหลับแล้วมันต้องฝันวนคนที่ไม่ฝันมันก็น้อยหรอกแต่โดยมากมันมักจะฝันกันนะ อาจจะเว้นวันหรืออาจจะต่อวันอย่างนี้มันก็ได้และมันก็เป็นไปได้นี่เรื่องของคำฝันแต่เรื่องของภาวนาเนี่ยเรื่องของจิตเน่ะถ้าเราภาว น, า, นาเป็นถ้าจิตมีความสงบมีมิตรมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้กลัวแม้แต่เราหลับ ในทางคำฝันมันก็เป็นมงคลคือไม่มีอะไรที่จะมาให้ร้ายสะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายภายในภายในจิตในเมื่อจิตที่เขาเป็นธรรมแล้วเนี่ยนี่จะสิ่งที่เป็นธรรมในตัวเขานี่ยจะสิ่งที่มันเป็นมงคลในตัวเขา ความเป็นอุดมมงคลนะ่ะมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอยู่ความสงบนั้นอนะ่ะถึงแม้ว่าเราจะทำความสงบได้แต่ความสำเร็จของเราก็ายังไม่ไม่เรียบพร้อมมันก็ไม่เป็นไรคอยรู้ว่าคุณภาพของธรรมะคุณภาพของใจอันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งธรรมะเกิดขึ้นในตัวเอง พอที่ให้เรารู้จักคุณค่าของธรรมะเอาไว้เนะ่เราก็จะได้ยึดเอาธรรมะคำสอนของบุพเทเจ้าเอาไว้บ้างเราก็จะได้รักษาเอาพุทธศาสนาเนี่ยเอาไว้บ้างแล้วเราก็จะได้ทำให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบ้างพอจะแนะให้คนอื่นผู้ที่มีศรัทธาที่จะเข้าใจกันได้เราก็ต้องแนะให้ พอเขาทำได้เขาก็จะทำาไปตามกำลังสติปัญญาของเขาดนะ้วยปุญญาบา ร, รมีของเขามามีมีมาเพียงแค่ไหนเขาก็จะรับทั้งทไปเพียงแค่นั้นนั่นก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่เป็นการให้ความดีแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่เกิดมาด้วยกัน เราก็ได้ไประสบการณ์ในตัวเองแล้วก็ต้องการให้เขาประสบการณ์ด้วยเขาบ้างก็เลือกบุคคลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะทั่วไปนะนี่วิธีการเผยแพร่มันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่เรื่องของจิตเผยแพร่ในเรื่องของจิตเราพอที่จะให้กันได้เราก็ให้ ที่นี่ส่วนบาปกรรมนะมันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ของมันเองหรอกในส่วนนี้มันเป็นบาปส่วนนี้มันเป็นบุญถนะ้าจิตมันสงบเหรอถ้าไม่เห็นพวกนี้นะถ้าไม่รู้พวกนี้นะมันก็จะไปรู้อะไรที่ไหนนะแล้วมันจะไปเห็นอะไรที่ไหนถ้าไม่เห็นบาปเห็นบุญบุญกับบาปมันก็อยู่กับใจเนะนะี่ะ จิตที่เป็นอากูศอนมันก็อยู่ที่ใจจิตที่เป็นกูสอนมันก็อยู่ทั้งภายในคือใจนะมันก็อันเดียวกันแตมันต้องออกไปแล้วมันก็ไปรู้เห็นพวกนี้สิแต่เห็นแล้วมันก็ละสิละในส่วนชั่วนะั่นละแล้วก็มาเอาความดีมาเอาส่วนที่เป็นกูศอนน่นหะนัก ที่มันเห็นในตนมันเห็นอย่างนั้นนะอย่าว่ามันไม่มีนะก็คือมันเห็นกิเลสน่นะนะแต่กิเลสนั้นมันพาให้เป็นนักกู้สอนมันเป็นส่วนกู้สอนถ้าเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปนะมุกละไปหมดทั้งสองเนะ ละไปส่วนทางบุญละไปท้งบาปนะมันเลยอยู่ตรงกลางเท่านียเลยความเป็นกลางเลยพออยู่ความเป็นกลางได้นั่นละ่ะความยินดียินร้ายมันก็หมดแต่ความยินดียินร้ายมันหมดก็เรียกว่าอยู่ดยความเป็นกลางคาเคาเรียกว่ากลางโลกกระทำ อิทธาลมก็ไม่เข้าอานิทาลมก็ไม่เข้าแล้วมันก็อยู่เป็นกลางนั้นแหละเป็นผู้ชนะตนขณะนี้เราก็ยังอยู่ในความแพ้ใคเรียกว่าแพ้ตนเองโดยไม่รู้ตัวละชนะบ้างแพ้บ้างแต่โดยมากกว่าแพ้นั่นนะ นี่เราทำใจให้มันเป็นกลางนะแต่ก็ต้องให้รู้ซะ ก, ก่อนนี่มันเป็นอกุศลอันนี้มันเป็นกุศลอันนี้มันเป็นบาปอันนี้มันเป็นบนุญต่อไปก็อยู่ตรงกลางนี่นกลางบาปกลางบนนะุญบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาละตอนนั้นตอนจะไปกันจริงๆนะเหมือนพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ย ่ันไม่ได้เอาอะไรสักอย่างมาไปอยู่ตรงกลางนั่นน่ะจึงได้เรียกว่ามัดชิ ม, มาปฏิปทานะอยู่วยความเป็นกลางการทำความเป็นกลางนี่แหละมันยากมันลำบากเหมือนก่า ความไม่เป็นธรรมทุกวันนี่แหละมันวุ่นวายกันอยู่นี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นกลางตรงไหนไม่รู้ว่ามันขอบมันอยู่ตรงไหนริมมันอยู่ตรงไหนมันก็วุ่นกันอยู่อย่างนั้นล่ะอันนี้โรค ก, ก็ช่างเขาเถอะก็ไปว่าเขาไม่ได้มันส่วนมากเราก็อยู่ไปอยู่ไปจนชั่วอายุของเราเท่าที่จะอยู่ได้นั่นแหละแต่ขอให้อยู่โดยความโชค ขออุปนายกนวธทําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ามาไปในหัวใจของตัวเองบ้างเอหิบัติโกเรียกอาทําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้ามาสู่หัวใจของตัวเองบ้างแล้วก็จะได้มีความสุขความจเจริญสมกับว่าเราชาวพุทธลูกพุทธ อยูทะทะอ่ของตาคดตาคดก็จะได้มาเป็นที่พึ่งเอาพุทธก็จะได้มาเป็นที่พึ่งก็จะได้คุ้มครองรักษาให้เราปราศจากซึ่งทุกโศกโรคภัยแล้วก็จเจริญไปด้วยศิลด้วยธรรมเมือม่อความสงบสกบถือว่าเราเป็นผู้ชนะชนะตนการสมควรเจตฐานะ ดังที่บรรยายมาก็สมควรเกจกะเวลาขอจุติเอาไว้แต่เทียงเท่านี้เอวังก็มีโดยพฤกาละชนีดพอที่จะดำเนิน กิจการของตัวเองในทางความสงบได้ลายพากันเดินเข้าไปหาระบบความสงบในจิตของตัวเองให้ได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะรู้ของมันเองหรอกไม่กล่องมีใครไปบอกให้มันยากหรอกแต่มันสงบเหวี่ยงมันไม่ได้มีใครไปบอกอกมันจะรู้ของมันล่ะทุกข์กับทุกข์มันก็รู้ล่ะ ดีหรือร้ยมันก็จะรู้แหะมันขาดอยู่ความสงบนี่แหละมันยากอยู่เดี๋ยวเนี่้จะมีความสงบไปขัวซะอันนี้มันลําบากเพราะฉะนั้นล่ะให้พากันตั้งอกตั้งใจหาความสงบให้แก่ตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยันครูบาอาจารย์นั้นก็แต่ละองค์ละองค์ท่านก็จากเละไปแล้วแต่เหลืออยู่ก็ไม่เท่าไร่ที่จะมาแนะนําำําสอนพวกเราทนะ่ก็ยากแต่พอที่จะเล่งตัวเองได้ก็เล่งเพราะว่าในขณะนี้ครวบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ก็ค่อยล่มไปล่มไปละ่ะ หมดไปทีละท่านละท่านไปพวกเราก็จะขาดครูบาอาจารย์ไป็มีแต่เหลือลูกอมีแต่ลูกใหม่เกิดขึ้นลูนเก่าทั้งก็จากไปต่อไปเราก็จบจากเช่นเดียวกันนะ่ละคิดเอาอย่างนั้นไปแล้วกันเพราะฉะนั้นละ ที่ได้แสแดงมาเนี่ยก็เป็นเวลาพอสมควรขอยุติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเกรตาะระเน้